ขอเจริญญาโยมสาวทุชนทุกท่านอาตอมาเชื่อพวกเราทุกคนเนี่ยร่วนปรารถนาความสุขในชีวิตอันนี้ความสุขในชีวิตของพวกเราเนี่ยหรือที่เรามุ่งมากปรารถนาเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นเรื่องความสุขของกายและใจนะอันนี้เป็นพื้นฐานเลย เพราะว่าชีวิตนี้ประกอบด้วยกายกับใจส่วนอื่นก็เป็นส่วนประกอบถ้าเราปรารถนาความสุขในชีวิตเราก็ต้องทำความสุขให้เกิดขึ้นกับกายและใจของเราการทำความสุขให้เกิดขึ้นกับกายและใจนะก็ทำได้หลายอย่าง ที่สำคัญคือการทําให้เกิดความสบายแก่กายและใจความสบายของกายและใจอะไรที่กายต้องการอะไรที่ทําให้กายสามารถจะอยู่ได้อย่างเป็นสุขเบื้องต้นคือปัจจัย4ี่ต่อจากนั้นก็เป็นความสะดวกสบายมีบ้าน ที่สบายในบ้านก็จำเป็นต้องมีเฟอร์นิเจอร์ที่ทำให้กายสะดวกกายสบายเรจาจะปรารถนาอาหารที่อร่อยเพลที่ไพรรอบเสื้อผ้าที่มีเนื้อเนียนประนีการดการ น, นประนีก็ไม่พอต้องสวยเพราะสวยก็ทำให้ใจเนี่ยเป็นสุขด้วย ความสุขของใจส่วนก็เกิดขึ้นจากการที่มีสิ่งมาผนเปรอนะมีสิ่งต่างๆมาตอบสนองความต้องการของใจซึ่งก็มีมากมายนะจำแนกแล้วก็มีสีประเภทนะนะก็ เ, เรื่องของอร่างกายเรื่องของสุขภาพ งานการหรือการเรียนเรื่องของวัตถุหรือทรัพย์สมบัติแล้วก็ความสัมพันธ์ความสุขใจคนเราก็หีไม่ค้นนะสี่เรื่องนี้แหละร่างกายงานการทรัพย์สมบัติแล้วก็ความสัมพันธ์แต่นั่นคือเบื้องต้น ความสุขของการละใจเนี่ยมันยังมีมากกว่า น, นี้และสิ่งที่เราทำมาตลอดวันแล้วก็ทั้งชีวิตนะก็คือนะเพื่อให้เกิดนะความสุขเกิดขึ้นกับการละใจอย่างที่ว่ามาแต่ท้าไม่พอนะการที่จะเอาแต่ทำความสบาย ความสุขให่เกิดขึ้นกับกายและใจเนี่ยยังไม่เพียงพอเราต้องให้ความสาคัญันเรื่องของการฝึกกายและใจด้วยเพราะถ้าเราตามปนเปลรนะตอบสนองความต้องการของกายและใจไปเรื่อยๆตลอดเวลาผลลงเอจะเป็นความทุกข์ก็ได้ เช่นถ้าเราอยากอยากกินนะอยากได้ชอบอะไรนะก็หามากินอาจจะเป็นอันตรายก็ได้ในที่สุดไม่ต้องพูดถึงการชอบสิ่งที่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะเช่นบุหรี่เหล้านะพอแค่ชอบสิ่งที่มันอร่อยนะบางคนชอบขาหมูเนะี่ยถ้าตกินทุกวันทุกวันน่นะหรือว่ากินเรื่อยเื่อยเนี่ยนะ มันก็เกิดโรคใช่ไหมชอบไอติมเนี่ยชอบชอบ็อกโกแลตเนี่ยกินทุกวันกินทุกวันกินทุกวันเนี่ยนะมันก็เป็นอันตรายต่อร่างกายนะว่าไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องระวังอย่างน่งคือสิ่งที่เราชอบนะของชอบบางอย่างเป็นมันเป็นอันตรายอยู่แล้วในตัวเช่นปลาดิบนะชาวอีสานเนี่ยชอบกินปลาดิบมากนะ ไม่ใช่ประดิษฐ์แบบญี่ปุ่นนะประดิษฐ์แบบอีสานเนี่ยกินแล้วก็เกิดอะไรขึ้นนะโรคมะเร็งตับนะแต่ถึงแม้จะไม่ใช่ประดิษฐ์นะชอบกินน้ําตาลชอบกินช็อกโกแลตชอบกินน้ําอัดลมนะชอบกินของหวานเนี่ยนะใครที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็รู้นะถ้าลูกเราเนี่ยชอบกินของหวานชอบกินน้ําอัดลมชอบกินท็อฟฟี่เนี่ยนะไม่ถึงสิบกลัวก็ฟันผุแล้ว และถ้าโตขึ้นนะอะไรที่เราชอบแล้วก็หามากินอันนี้กัเดเลนแต่หลายบางคนเนี่ยเป็นเบาหวานเนี่ยก็ยังเลิกนะไอติมไม่ได้หรือว่ายังเลิกข้าวนีทุเรียนไม่ได้จะตายอยู่แล้วนะก็ยังขอให้ลูกเนี่ยซื้อขนมทุเรียนมาให้น้ข้าว เ, เหนียทุเรียนมาให้นะแต่มาถึงยิงบอกว่าไอ้สิ่งที่เราชอบเนี่ยนะเป็นสิ่งที่เราต้องระวัง คนเราเนี่ยมักจะระวังสิ่งที่เราไม่ชอบนะอะไรที่ไม่ชอบนี่จะจะไม่อยากแตะเด็กเนี่ยก็จะไม่ชอบผักนกีกกก่ก็ไม่อยากยุ่มไม่อยากแตะเด็กไม่ชอบของขมก็ไม่อยากยุ่งแต่ของที่ชอบเนี่ยต้องระวังด้วยนะมันเป็นอันตรายนะกับสุขภาพเราเนี่ยนักต่อ น, นักนะ ทุกวันนี้เนี่ยคนที่เจ็บป่วยด้วยโรคลา ย, ยก็รว้แล้วแต่เป็นเพราะของชอบนั้นแหละนะโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคมะเร็งเนี่ยเพราะว่านะปล่อยกายเนี่ยให้เสพแต่ของชอบแล้วก็จะรู้วปล่อยใจนีให้อยู่กับของที่มันสบายด้เพราะนั้นเนี่ยลำพังนะแค่เพียงแค่การข้นขวายหาความสุข ความสบายไม่ให้กับกายและใจไ ม, ไม่พอนะไม่เพียงพอไม่เป็นหลักประกันไม่ทำให้ชีวิตมีความสุขไดงแท้จริงหรือว่ายั่งยืนเราต้องให้ความสำคัญกับเรื่องการฝึกกายและใจเลยนะขึ้นชื่อว่าการฝึกเนี่ยนะมันดูมันจะสวนทางกับการตามสนองปรนเปล่ความต้องการของกายและใจตามใจปากตามใจลิ้นนะ อันนั้นเนี่ยยังไม่พอหรือว่าจะทำอย่างนั้นอย่างเดียวไม่ได้นะต้องฝึกด้วยการฝึกกายและใจถ้าเราฝึกอย่างถูกต้องเนี่ยมันจะเป็นหลักประกันแห่งความสุขคราวนี้พูดถึงกายและใจเนี่ยนะมันก็แปลกนะช่วยคนเราประกอบไปด้วยกายกับใจเนี่ยให้กายกับใจเนี่ยมันเป็นมันเป็นส่วนผสม องค์ประกอบที่ประหลาดคือมันตรงข้ามกันนะเหมือนาน้ํากับไฟเนะพราะอะไรเพราะร่างกายเนี่ยนะมันมีคุณสมบัติที่จะตรงข้ามกับจิตใจเลยร่างกายแล้วเนี่ยนะมันเป็นตุ้นเป็นก้อนมีน้ําหนักกินเนื้อที่จับต้องได้นะแต่ใจแล้วนี่นะไม่มีน้ําหนักจับต้องก็ไม่ได้ อยู่ตรงไหนเลยยังไม่รู้เลยแล้ววิทยาศาสตร์ก็พยายามหาว่าใจอยู่ตรงไหนแล้วเขาก็สรุปว่าใจเนี่ยก็เป็นเรื่องของสมองแต่บางคนก็ไม่ยอมรับเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่นั้นนะมันมีมากกว่า น, นั้นเพราะว่าคนที่สมองตายหรือว่าสมองอาจจะพิการแต่การรับรู้ยังเกิดขึ้นได้อันนี้มีตัวอย่างเยอะแยะ คนที่สมองตายเนี่ยแต่ว่าเขาสามารถจะรับรู้คนที่เป็นผักที่สมองมันมันก็นไม่ทำงานเลยเนี่ยทำงานได้เฉพาะส่วนที่มันเป็ น, ปนพื้นฐานของชีวิตเช่นการหายใจการเต็นของหัวใจแต่เราเคยคิดว่าการรับรู้ของเขาเนี่ยมันหมดไปในเวลาที่ยังเป็นผักอยู่ แต่พอฟื้นขึ้นมาเขาก็สามารถจะบอกได้ว่าไอ้ตอนที่เขาเป็นผักเนี่ยเขาเห็นเขาได้ยินเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถจะบอกได้ว่าทุกคนนี้ยังบอกไม่ได้ว่าใจอยู่ตรงไหนใจไม่กินเนื้อที่ใจไม่มีน้าหนักในขณะที่ร่างกายและส่วนประกอบของร่างกายไม่ว่าจะเป็นเสียงไม่ว่าจะเป็ น, นอุณหภูม หรือแม้กระแสไฟฟ้าในร่างกายเราเนี่ยสามารถจะชั่งตวงวัดหรือว่ า, าใช้เครื่องคำนวณไดนะ้แต่ใจเนี่ยนะไม่สามารถจะชั่งตวงวัดไม่สามารถจะอบอกได้ว่าพลังงานหรือที่เราพลังจิตเนี่ยนะมันมีมันมีกี่หน่วย ความแตกต่างระหว่างกายกับใจนี่มีเยอะมากเลยนะกายเนี่ยนะเวลามันจะไปไหนเนี่ยนะมันก็ไปได้ทีละนิดทีละหน่อยไปได้ทีละเก้าอย่างมากก็ถ้าอยากให้ไปเราก็ต้องวิ่งแต่ก็ยิงวิ่งได้ทีละเก้าทีละเก้าแต่ใจเนี่ยนะ มันไปได้ไกลามากเลยไปถึงสุดขอบจั ก, กรวาล น, นะไปจนถึงสุดดาราจักรหรือกาแล็กซีก็ได้ตอนนี้เนี่ยเนื่องจากธรรมชาติของกายและใจเนี่ยมันแทบจะตรงข้างกันเลยเนี่ยเวลาฝึกกายและใจเนี่ยนะเราต้องมีความรู้ถึงความแตกต่างของกายและใจ กายเนี่ยนะธรรมชาติของของมันเนี่ยก็คือชอบอยู่นิ่งๆ น, นะกายที่ไม่ชอบขยับนะไม่ชอบขยับนะจะให้ไปไหนเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากจะไปนี่คือเหตุว่าทําไมเราจึงมีผลิตลดจน์นะตอนที่เราย่งผลิตรถผลรถจนไม่ได้เราก็ผลิตจั ก, กรยานนะเพราะว่าไม่อยากจะไปไหนเนี่ยไม่อยากจะขึ้นขยับถ้าจะไปไหนก็ต้องมีเครื่องทุนแรง ใช่ไหมแต่ใจเนี่ยนะมันตรงข้ามกับกายนะใจนี่มันชอบเที่ยวเที่ยวเรื่อยเปื่อยนะแล้กระทั่งกายตัวตรงนี้เนี่ยนะแต่ใจไปไหนแล้วเนี่ยใจไปที่บ้านใจไปที่ทำงานใจไปที่พราร์กอนนะมันไปมันท่องเที่ยวทุกสารทิศ ปัญหาคือถ้าเราถ้าเราปล่อยให้ใจเนี่ยนะปล่อยให้กายเนี่ยมันอยู่นิ่งๆอันนี้อันตรายหลายคนที่ไม่ชอบออกกาลังกายเด็กๆผู้ใหญ่ไม่ชอบากาลังกายเพราะธรรมชาติของกายบอกแล้วเนี่ยมันชอบอยู่นิ่งๆแต่เราต้องฝึกนะต้องฝึกกายให้เคยื่นขยับ นะสมัยนี้ก็มีการรณรงค์ให้เราเรู้จักออกกำลังกายกันให้มากขึ้นซึ่งจำเป็นมากเลยเพราะว่าถ้าเราไม่ออกกำลังกายเช่นการเดินการวิ่งนะว่ายน้ำเกิดอะไรขึ้นนะก็จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บนะเดี๋ยวนีน้มันมีโรคสมัยใหม่มากมายซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิต ซึ่งบางคนก็มียางว่าเป็นโรคขี้เกียจคือมันเป็นโรคที่เกิดจากการที่ไม่อยากออกกําลังกายนะโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคมะเร็งพวกนี้เนี่ยมันจะสัมพันธ์มันจะผูกพันกับการที่ผู้คนนี้ไม่อยากออกกําลังกายเดี๋ยวนี้เด็กเนี่ยก็อ้วนแล้วนะแล้วคนที่เป็นพ่อแม่ก็จะรู้ดีว่าเนี่ยจะ จะกระตุ้นให้ลูกออกกำลังกายเป็นเรื่องยากและชีวิตสมัยนี้มันเป็นชีวิตที่ทำให้การอยู่แบบไม่ออกกำลังกายเนี่ยมันง่ายขึ้นสมัยก่อนจะไปกินข้าวสมัยก่อนเนี่ยจะต้องออกไปทํมาหากินต้องไปแบกน้ำแต่เดี๋ยวนี้น้ำก็เปิดก๊อกเอา <c oughs> หีวเหรอนะ ไม่ต้องไปเข้าป่าล่าสัตว์หรือแมไม่ต้องแม้กระทั่งไปร่างอาหารนะบางทีไม่ต้องเดินไปที่โครัวด้วยซ้ำไม่ต้องทำเดี๋ยวนี้มันมีเดลิเวอรี่นะมาส่งถึงบ้านเลยนั้นเด็กเนี่ยหรือผู้ใหญ่เนี่ยสามารถจะนั่งอยู่หน้าคอมอยู่หน้าโทรทัศน์นะหรือว่าก้มหน้าโดยที่ไม่ไปไหนเลย เราก็ไม่อดตายเพราะว่าสั่งพิซซ่าสั่งแอมเบรเกอร์อะมากินโดยที่ไม่ต้องออกไปไหนและนี่คืออันตรายที่เกิดขึ้นนะกับสุขภาพของเราเพรฉะนั้นถ้าเราต้องการให้ร่างกายมีสุขภาพดีต้องฝึกให้มันออกกำลังกายแมนะ้แต่พรนานี่ก็ต้องออกเดินพิธบาทนะมีคนประมาณว่าคนเราเนี่ยจะมีสุขภาพดีได้ต้องเดิน ต้องเดินวันละหมื่น9ก้าวันละหมื่นเก้าประมาณสัก7กิโลถึงจะมีสุขภาพดีแต่เราก็รู้ว่ามันเป็นการกระทําที่ยากเพราะธรรมชาติของการมันไม่อยากออกไปไหนมันอยากจะอยู่นิ่งๆการฝึกกายเนี่ยจึงต้องฝึกด้วยการเนี่ยกระตุ้นให้กา ย, ยออกไปเคลื่อนขยับ เดินวิ่งถ้าไม่ให้จอกกิ้งก็มีบนสายพานว่ายน้ำออกหรือไม่ก็ยกน้ำหนักหรือไม่ก็ขุดดินนะทำสวนแม้แต่ลังจานก็ยังดีนะแต่เนนี้ลูกเรางก็ไม่อยากล้างจานนะเพราะว่าอยากจะอยู่นิ่งๆก้มหน้าดูดูคอมพิวเตอร์ดูโทรศัพท์ขณะที่ฝึกกายเนี่ยต้องฝึกให้ขยื้นขยับ แต่ฝึกใจเนี่ยต้องตรงข้ามนะเพราะว่าธรรมชาติใจมันชอบเที่ยวนะแล้วถ้าเราปล่อยให้ใจเที่ยวไปเรื่อยๆนี่นะเราก็จะเครียดยังตาๆเรานอนไม่หลับคนไมันี้ไปลรคหลับมอนนอนไม่หลับเพราะอะไรนะเพราะปล่อยให้ใจวิ่งพร่านปล่อยใใจท่องเที่ยวสารพัดแล้วทุกวันนี้คนเราเนี่ยเป็นโรคเครียดกันมากนะนะก็เพราะอะไรนะไม่ใช่เพราะงานหนัก ไม่ใช่เพราะออกแรงเยอะแต่เพราะว่าเราปล่อยให้ใจนะท่องเที่ยวสารพัดแล้วมันไปแต่ละที่เนี่ยก็ไปเอาความทุกข์กลับมานะไปนึกถึงเหตุการณ์ที่เจ็บปวดไปนึกถึงคำตอว่า ด, ด่าทอที่ผ่านไปแล้วไปนึกถึงข้าวของที่หายเงินที่ถูกโกงหรือไม่ไม่ก็ไปนึกถึงงานงานะที่ยังคาอยู่นึกถึงภาระ ที่ต้องสาสารนึกถึงหนี้สินที่ต้องจัดการนึกถึงรูปว่าจะสอบข้าหมายเท่าไรได้ไหมจะไปเรียต่อที่ไหนหรือว่าตอนนี้เขานะไปติดผู้หญิงหรือว่าไปติดเราติดยาหรือเปล่าวัานทีก็ห่วงว่ารถของเรานะจอดทิ้ไงไว้นี่จะมีคนมาขโมยออกไปไหมมันคิดสารพัดไอ้การที่ใจเราท่องเที่ยวนะ วิ่งไปโน่นวิ่งไปนี่เนี่ยมันเป็นที่มาของความทุกข์ของคนสมัยนี้มากเพะการตามใจเนี่ยการปล่อยให้ใจเราทําอะไรตามตามใจของมันเนี่ยมันก็เป็นอันตรายเราต้ตองฝึกฝึกเพื่อฝึกอะไรฝึกให้ใจรู้จักนิ่งและเราทุกคนคงทราบอยู่นะว่าการฝึกให้ใจนิ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยฝึกให้ร่างกายไปออกกำลังกายพยับขยื่นก็ยาก ฝึกให้ร่างกายออกไปเดินไปวิ่งเนี่ยยากเช่นเดียวกันฝึกให้ใจเนี่ยนิ่งก็ยากนะหลายคนท้อเลยนะให้นั่งสมาธิแค่ห้านาทีบอกนั่งไม่ได้เพราะมันฟุ้งซ่านหมดเลยแต่มันจําเป็นฮนะเราจะเป็นต้องฝึกใจให้นิ่งเพราะถ้าใจไม่นิ่งเนี่ยนะมันจะมาใจนี่แหละจะมาทิ่มแทงเราจะมา ธรามะตรายกับเรามีคนเปรียบว่าใจเนี่ยเหมือนกับลิงนะเพราะว่าลิงเนี่ยธรรมชาติของมันเนี่ยก็จะกระโดดไม่อยู่นิ่งแต่ลิงเนี่ยมันมีเวลาที่อยู่นิ่งนะวัดอา ต, ตามา ม, มีลิงเยอะแล้วมันจะมีช่วงที่มันนิ่งคือมันจะคอยดูพระในวัดว่ากำลังกินอะไร เอาอาหารไปเก็บที่ไหนเอาขนมไปใส่ไว้ตรงไหนไว้ในครัวไว้ในตู้ปิดล็อกยังไงมันเวลามันเวลาแล้วมันรู้นะมันรู้ว่าเราใส่อาหารไว้ที่ไหนซ่อนตรงไหนนะเวลาเรากินเวลาจะกินกินของเนี่ยเราเปิดยังไงเราบิดเกลียว มันรู้มันรู้เพราะอะไรมันรู้ได้ยังไงมันรู้เพราะมันอยู่นิ่งๆลิงเนี่ยมันจะคอยจ้องอยู่นิ่งๆมันจะไม่ไปไหนแลมันจะมันจะไม่ขยับลิงเนี่ยมันยังมีเวลาที่มันนิ่งนะมันถึงรู้ว่าเราเอาหาไปซ่อนวิตถิ่ไหนเราเปิดตู้อย่างไรแต่ใจนี่นะมันแทบจะไม่ยอมอยู่นิ่งเลยใจเรานี่ยิ่งกว่าลิงนะนะมันแทบไม่ยอมอยู่นิ่งยิ่งกว่าลิงใเราต้องฝึกใจให้นิ่งะ แล้วใครคนจะพบเลยนะว่าเมื่อใจเรานิ่งเนี่ยนะมันจะมีความสุขมากนอนก็หลับนะทำงานก็ทํางานได้มีความสุขแปลงนะกายกับใจเนี่ยนะธรรมชาติมันตรงข้ามกันมันจะมีความแตกต่างกันระหว่างกายกับใจอีกหลายอย่างซึ่งเราควรรู้และการรู้มันจะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถจะ พาใจฝึกใจและกายของเราให้เป็นไปในทางที่ส่งเสริมความสุขให้กับเรากายเนี่ยยที่บอกไปแล้วว่ามันไม่ชอบออกแรงมันไม่ชอบขยีนขยับนั่นก็หมายความ่ามันไม่ชอบแบกด้วยนะจะให้แบกเก้าอี้จะให้แ บ, ก, ก, ก, แบกโต้เนี่ยนะมันไม่ค่อยอยากทําหรอกถ้าเลี้ยงได้ก็เลี้ยงแต่ถ้าแบกนะ ก็แบกได้ไปเดียวเดียวก็จะเทาวางแล้วก็จะรีบวางนะเจ้านายสั่งให้ลูกน้องแบกนะถ้าเจ้านายเผลอลูกน้องก็วางนะเพราะมันหนักแต่ใจนี่ตรงข้ามนะใจที่มันชอบแบกนะใจที่ไม่ชอบปล่อยไม่ชอบวางนะสังเกตนะ ทั้งที่ไอสิ่งที่แบกคืออะไรความเศร้าความโกรธความเกนะลียดนะเราแบกเรายึดเอาไว้เท้ามันมีความสุขมะไม่สุขนะแต่ร่างกายมปนฉลาดนะร่างกาย้ม่มันแบกหินแล้วมันรู้ว่าหนักนะมันอยากจะวางและบางทีไม่ต้องสั่งให้วางนะมันวางมันเองนะ นกยกน้ําหนักเนี่ยนะยกน้ําหนักเนี่ยนะถ้าไม่ถ้าไม่มีกรรมการนะคอยดูนะเขายกปุ๊กเขาวางเลยใช่ไหมแต่ถ้ามีกรรมการอยู่ก็ต้องยกให้ได้ให้ได้สักห้าวินาทีสักประมาณเนี่ยแล้วถึงค่อยวางเพราะร่างกายันไม่อยากแบกแต่ใจนี่มันชอบแบกนะชอบยึดเกลียดใครนะเนี่ยนะเวลาเกลียดใครจนึกถึงคนนั้นบ่อยจะนคนนั้นซ้ําแล้วซ้ําอีก บางทีนึกมา ก, กว่าผู้ประกาศเรื่องของเราอีกนึกมากกว่แฟนของเราอีกเวาเกลียดใครในราจะนึถึงคนคนนั้นบ่อยอยู่ในห้องมีคนเป็นร้อยนะกาลังกินเลี้ยงกันแต่พอมีคนที่เราเกลียดคนที่เราโกรธเนี่ยโผล่เข้ามาในงานแล้วเนี่ยสายตาเราจะจ้องจับไปที่คนนั้น ท, ทันทีหูเราจะแว่วว่าเขาพูดอะไรถึงเราหรือเปล่าทั้งที่เสียงดังระง ม, มเลยนะแต่ว่า เราจะจดจ่อมากอันนี้เรียกว่าแบกเรียกว่ายึดนะอะไรที่เราไม่ชอบเรายิ่งแบกนะเรายิ่งยึดนะอนนาจารย์เยกตัวอย่างแล้วนะเวลามือเราไปถูกขี้หมาหรือถูกปารา้าเนี่ยหรือถูกน้ําพริกเนีมันเหม็นใช่ไหมเราดนแล้วเหม็นเราไม่ชอบเราก็ล้างมือล้างนิ้วแล้วเราทำไงต่อเอามาดมนะว่าเหม็มนยิ่งเหม็นยิ่งดม น, นะแล้วก็ล้างเสร็จเอามาดมใหม่นะ เรียกว่าจิตนี่นะมันไม่ชอบมันไม่ชอบวางมันชอบยึดนะของหายหายไปแล้วนะนึกทีไรปวทุกทีนึกทีไรเศร้าทุก ท, ก ท, รร ท, กทีแต่อดนึกไม่ได้นึกแล้วเป็นไงเสียใจเศร้านะความรู้สึกผิดที่เราได้เคยทากับพ่อแม่อาจจะทำกับลูกนะ บางคนก็เผื่อตาข้อพ่อแม่นะเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยไม่ยอมเลิกขนเหนียวมัมมูสักทีไม่ยอมเลิกขน ม, ม, กกก ม, มเหนียทุเรียนสักทีเบาหวานก็กินส่วนพ่อนี่ก็ไม่ยอมเลิกสูบบุหรี่ทั้งทีทั้งที่เป็นมะเร็งปอดความปาชุดีของลูกก็ทําให้อดไม่ได้ว่าพ่อว่าแม่แล้วก็เสียใจผ่านไปแล้วเป็นปีบางทีพ่อแม่ตายไปแล้วก็ยังนึกเสียใจมีบางคนเนี่ยนะตอนที่ วั น, นพ่อวั น, นึงพ่อเนี่ยนะไม่ค่อยสบายแต่พ่อก็อยากกินก๋วยเตีเป็ดก็บก่อใ้ลูกไปช่ว ย, วยซื้อซื้อกวยเตีเป็ดหน่อยลูกก็กาลังเล่นเล่นเกมออนไลน์ไม่มีอารมณ์จะไปซื้อกวยเตีเป็ดแล้วอยู่ดีพ่อก็ตายวันนั้นหัวใจวายตายโอ้กเสียใจายมากเลยนะแต่ก่อนแกก็ชอบกินก๋วยเตยเป็ดนะแต่หลังจากนั้นแกกินก๋วยเตี๋เป็ดไม่ได้เลยเห็นก๋วยเตี๋เป็ดแล้วเนี่ยมันมันมันเบื่อมันมันฝึก ดูไม่ได้มองไม่มองมองไม่ได้รู้สึกผิดรู้สึกผิดเนี่ยมันทำให้มีความสุขนะก็ไม่มีความสุขแต่วางไม่ได้จิตคนเราเนี่ยนะเนี่มันตรงข้ามกับกายนะกายเนี่ยอะไรที่อะไรที่หนักเนี่ยมันวางส่วนจิตเนี่ยนะอะไรที่หนักเนี่ยที่เจ็บที่ปวดที่บีบคั้เนี่ยมันไม่ยอมวาง งานการก็เป็นเรื่องที่ยากเรื่องหลับปากหลายคนก็ไม่ยอมไม่ยอมวางนะทำงานก็เครียดแล้วพอกลับมาที่บ้านก็ยังแบกเอา ง, งานนะไม่ใช่แบกแฟ้ม น, นะแบกไว้ในใะจอยู่กับลูกก็คิดถึงแต่เรื่องงานเรื่องการนะแต่นอนก็ยังคิดแต่เรื่องงานเรื่องการอันนี้เรียกว่าแบกแล้วก็ทำานอนไม่หล้วการเนี่ยนะ ไม่ต้องสั่งให้มันวางมันวางเองแต่จิตเนี่ยแม้หนักเท่าไหร่มันก็ไม่ยอมวางมองในอง่าี้เนี่ยกายเนี่ยฉลาดกว่าใจนะอะไรที่หนักมันวาง น, นที่ใจเนี่ยแม้หนักแค่ไหนแม้เจ็บแม้ปวดแค่ไหนมันไม่วางเราต้องฝึกใจให้รู้จักวางนะกายังไม่ต้องฝึกให้วางนะกา ย, ยต้องฝึกให้แบกเพื่อออกกาลังกายส่วนใจต้องฝึกให้มันวาง จริงการวางนั่เป็นเรื่องง่ายนะแต่เวลาธรรมะบอกว่าโยมปล่อยวางเธอเรื่องหลานน่โยมปล่อยวางเึงเรื่องงานเขาจะตอบมาเสียงเดียวกันพูดง่ายแต่ทำยากนี่แปลกนะไอวางน่าจะเป็นเรื่องนะงนะ่ายไอแบบนั้นนาจเป็นเรื่องยากมากกว่าแต่ทาไมหลายคนเนี่ยแบบเป็นเรื่องง่ายนะวางน่าเป็นเรื่องยากเพราะนี่คือธรรมชาติของใจแ ล, และถ้าใจเราไม่ฝึกนะ มันจะแบกจนพุทะพือและเราจะไม่ไหวนะเราจะเครียดเราจะท้อแท้บางคนแบกความเศร้าจนเป็นโรคซึมเศร้าบางคนแบกความผิดหวังท้อแท้จนคุ้มครั่งอยากจะฆ่าตัวตายร่างกายไม่เคยแบกอะไรจนตายนะมันมีแต่อยากจะปล่อยแต่ทาไมใจมันถึงทำอย่างนั้นได้เพราะใจไม่ได้รับการฝึก เราจะไม่ต้องฝึกใจมากเลยให้มันปล่อยให้มันวางให้ได้จะฝึกอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยพูดคุยกันต่อไปทตไมอย่าเที่เนาะ ก, กายกับใจเนี่ยนะมันมันมันตรงข้ามกันหลายอย่างบางคนบางครังสิกวาการนี่มันโง่นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยกายเนี่ยมันฉลาดกว่าใจเยอะเวลากายนี่นะมันไปถูกของของแหลม ไปถูกน้ําร้อนไปถูกเปลวไฟเนี่ยมันทํำยังไงมันรีบชักเลยถ้ามือถ้าเป็นนิ้วเป็นมือเนี่ยถ้าไปถูกเข้ามันรีบชักออกเลยถ้ามือเราเผือไปถูกไปถูกคนบุ้งเนี่ยนะเราไม่ต้องสั่งมือเรานิ้วเราเนี่ยมันชักออกมาทันทีแต่ใจนะเวลาใจมันไปถูกความโกรธความโกรธที่เหมือนไฟ น, นะ ความเกลียดมันหมืนี้นะที่กลีแทงใจเวลาเจอความโกรธเจอใจเจอความเกลียดเนี่ยนะมันเข้าหาเลยนะแล้วก็คลอดเคลียอยู่ความโกรธความเกลียดอ ะ, ะไม่ยอมที่จะดึงจิตออกมาเวลาเราเศร้าเนี่ยนะเราชอบฟังเพลงอะไรเพลงมาชเพลงสนุกหรือ่าเราชอบฟังเพลงเศร้าใช่ไหม มี ใ, ใครอยาฟังเพลงคือมอบสุขให้ประชาชนมัน้งไม่มีนะอยฟังเพลงเศร้ายิ่งเศร้าเท่าไหร่ยิ่งฟังนงะกายเนี่ยไม่ทําอย่างงี้นะกายเนี่ยพอมันเจอไอ้เรื่องพวกนี้นั้นมันรีบถอยรีบถอนรีบถอน อ, ออกมาแต่ใจนี่มันเข้าหาเลยแล้วก็จมนะกายนี่มันฉลาดกว่าใจเยอะเลยนะมันจะพยายามหนีจากปัญหาแต่ใจนี่นะ อะไรที่เจ็บอะไรที่ปวดอะไรที่เผารนอะไรที่บีบคั้นใจมันเข้าไปหาเข้าไปคลอเคลียเข้าไปค ร, คปครุกเคล้านะแล้วก็บอกว่าปวดแล้วก็บอกว่าทุกนะแต่ก็ไม่ยอมถอนใจออกมาไม่ยอมดึงจิตออกมานะอันนี้เราจะเรียกเป็นอาการยึดติดแบบนี้ก็ได้นะใจเนี่ยนะมันมีความเก่งอีอย่างอีกอย่างหนึ่งนะ อากายเนี่ยความจำมันดีเวลามีเชื้อโรคเข้ามาในร่างกายเนี่ยถาเชื้อโรคนั้นเนี่ยมันไม่เคยเข้ามาในร่างกายเลยพวงพุ่งการร่างกายเราเนี่ยไม่เคยเจอมันก็จะปล่อยให้มันผ่านเข้ามาเล่นงานร่างกายเราแต่เชื้อโรคจะทำกันได้แค่ครั้งเดียว ห ล, ล like ังจากนั้นเนี่ยภูมิคุ้มกันร่างกายเราจะจําได้เราจะรู้ว่าไอ้เชื้อตัวนี้เนี่ยอันตรายและถ้าเชื้อตัวนั้นเข้ามาอีกเนี่ยภูมิคุ้มกันร่างกายเราจะตัดการไข้ทรพิษเป็นตัวอย่างที่ดีมากไข้ทรพิษเนี่ยใครที่เป็นเนี่ยและถ้าไม่ตายนะจะไม่จะไม่โอกาสเป็นอีกเพราะว่าภูมิภูมิคุ้มกันร่างกายเราจําได้เข็ดแล้วนะแล้วก็รู้แล้วว่าไอ้เนี่ยไข้ทรพิษตัวนี้เนี่ย อันตรายพอเข้ามาในร่างกายครั้งที่สองนะ่ะคุ้มกัรางกายเรจัดการาทันทีน네ไข้หวัดก็เหมือนกันนะหวัดเนี่ยมันเข้ามาเล่งงานเราได้ครั้งเดียวทั้งชีวิตครั้งที่สองที่ทำไม่ได้แนละ้วเพราะคุ้มกับร่างกาเรเดจจำได้แต่ที่เราเป็นหวัดทุกปีทุกปีเนี่ยมัเป็นเพราะว่ามันเป็นเชื้อตัวใหม่ ที่มันกลายพันธุ์พอพอมันกลายพันธุ์เนี่ยเป็นเชื้อตัวใหม่เนี่ยให้ผูกคุมการรังการเราจำไม่ได้ก็ปล่อยให้มันเข้ามาเล่น ง, งานแต่เล่น ง, งานเนี่ยมักจะไม่ถึงตายยกเว้ว่าเป็นเป็นเชื้อที่มันแรงเช่นไข้หวัดนกซาหรือว่าไข้หวัดที่เขากำลังกลัวกันว่าจะจะมา เมื่อเกือบร้อยปีที่แล้วเนี่ยมันมีหวัดตัวหนึ่งเนี่ยมันทําให้คนทั้งโลกตายเนี่ยห้าสิบกสิบล้านคนหลังสงครามโลกครัี่หนึ่งช่วงสงครามโลกสองสงครามโลกคที่หนึ่งนะน่ะนะนะพราเรามีไม่มีภูมิคุ้มกันเลยแต่คนที่ไม่ตายเนี่ยนะเขาจะมีภูมิคุ้มกันซึ่งจะทาให้เชื้อตัวนั้นทําอะไรก็ไม่ได้นี่คือกลาย แต่เราสังเกตม้าใจเราเนี่ยนะมันเจอความโกรธนะมันเจอความเศร้ามันเจอความทุกข์กี่ครั้งกี่ครั้งแล้วมันไม่เคยจําได้เยโกรธแล้วก็โกรธอีกโกรธแล้วก็โกรธอีกในชีวิตเราเนี่ยเราเจอความโกรธเป็นหมื่นครั้งแต่ใจไม่เคยจําได้เราไอ้ความโกรธเนี่ยมันนั่นมันอันตรายทำไมาใจเรามันงง อ, อย่างนั้นเนหะ็นไหมคนแก่เนี่ยนะ หรือคนที่มีอายุเนี่ยเมื่อเจอความโกรธเจอแล้วเจอแล้วอีกเจอแล้วจเจอแล้วเจอเนี่ยโดยตรกากตรากโดยธรรมชาติเนี่ยมันน่าจะรู้ทันความโกรธได้เร็วรู้เล่ห์เหลี่ยมของความโกรธไม่ปล่อยให้ความโกรธมาเล่นงานแต่ตรงข้าม่ยิ่งโกรธบ่อยยิ่งโกรธง่ายนะแปลกนะ ยิ่งกวธบ่อยเนี่ยนะก็ยิ่งโกรธง่ายขึ้นง่ายขึ้นซึ่งสงหราบกายแล้วเนี่ยไอ้แบบนี้ไม่เกิดขึ้นนะเจอครั้งเดียวกนะ็พอแล้วเชื้อโลกเข้ามาเนี่ยมันจำได้แนละ้วและจะไม่ให้มาหลอกหรือมาเล่น ง, งานร่างกายใจเราทำไมมันมันโง่แบบนี้นะที่จริงธรรมชาติของใจเราเนี่ยนะมันมีความสามารถในการที่จะจดจำได้นะ สิ่งที่ช่วยทำให้ใจเนี่ยจดจําอารมณ์ต่างๆความรู้สึกที่ต่างๆได้คือสตินะแต่เราไม่ค่อยได้ใช้สติเท่าไหร่เราไม่คยไม่ใช้สติในการระลึกในการที่จดจําอารมณ์นะเราใช้สติหรือเราใช้เราใช้สติไปในการจดจําอย่างอื่นเยอะนะจดจําความไม่ดีของคนบางคนจดจํา กระทั่งวันและเวลาสถานที่นะก็เลยแคนไม่หาเพียบบาทไม่เลิกนะส่วนเด็กอนี่ก็จดจําได้นะใครเป็นคู่จิน้นใครนะก่อนหน้านี้เป็นคู้จิ้นกับใครนะมีเอ่อคนนี้เนี่ยเคยเป็นแฟนใครอะไรต่ออะไรมาก่อนเนี่ยจําได้โปรโมชั่นอะไรจําได้หมดนะเราจําเรื่องลอกตัวได้เยอะแต่ว่ากับอารมณ์ที่มันม า, มาเล่น ง, งานจิตใจเนี่ยทําไม เราไม่ค่อยจดจำมันทำไมเราถึงไม่ค่อยรู้ทัน น, นะเพราะเราไม่ได้ใช้สตินะในในแง่ที่จะช่วยทำให้รู้ทันและจดจำอารมณ์ต่างๆได้สติเนี่ยนะมันจะมีธรรมชาติอย่างหนึ่งนะถ้าเป็นสติที่เป็นสัมมาสตินะมันจะมา จดจำลักษณะอากาศของอารมณ์ต่างๆได้ถ้าเรารู้จักใช้สติเนี่ยในการที่จะเฝ้าดูจิตใจในการที่จะดูอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจของเราเราจะจำอารมณ์ได้และถ้าเราฝึกสติแบบนี้นนบ่อยเนี่ยเมื่อมีความโกรธเกิดขึ้นยังไม่ทันโกรธเลยแค่ หมุดหงิดแค่ไม่พอใจแค่ไม่ชอบใจเนี่ยเราก็จะรู้ทันได้ไวจะไม่ปล่อยให้มันลุกลามจะเป็นความโกรธจะเป็นความแค้นจะเป็นความพยาบาทสติเนี่ยเปรียบเหมือนกับเครื่องเตือนภัยนะในตึกในอาคารสูงๆเนี่ยก็จะมีเครื่องที่เตือนภัยนะที่จะไปส่งสัญญาณเวลามันมีไฟเกิดขึ้น และถ้าเครื่องดีๆเนี่ยไม่ต้องรอให้มีเปลวไฟเกิดขึ้นนะแค่มีควันเท่านั้นแหละมันก็ส่งสัญญาณเตือนแล้วว่าอันตรายกำลังจะเกิดขึ้นนะไม่ต้องรอให้ลุกเป็นไฟนะจนยากับการดับเพียงแค่มีควันเท่านั้นแหละนะคนในตึกก็รู้แล้วก็มาดับควันนั้นได้สติในใจเราเนี่ยนะมัน มีความสามารถประมาณนะหรือยิ่งกว่า น, นั้นสิถ้าเราเนี่ยรู้จักฝึกสตินะในการรู้ทันอารมณ์ไอ้ความโกรธเนี่ยมันจะมาคล่องกับจิตใจเราก็ยากเราจะวางมันได้เร็วนะเกตุมาบอกไว้แล้วว่าใจต้องฝึกให้รู้จักวางการที่เราจะฝึกใจใรู้จักวางนัคือฝึกให้มีสติ ที่จะมารู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นไม่ต้องรอให้มันลุกไหม้เป็นความโกรธสัก่อนเพียงแค่มันเกิดความหงุดหงิดเกิดใจกระเพื่อมขึ้นมาเพราะมีเสียงดังมากระทบหูนะมีลูกที่ไม่น่ไม่น่าพอใจกระทบตาเห็นข้อความบางข้อความทางไลน์ทาง Facebook แล้วมันมากระทบใจให้กระเพื่อมสติที่ไวเนี่ย มันจะรู้ทันทีมันจะส่งสัญญาณบอกว่าความไม่ปกติเกิดขึ้นแล้วและเมื่อรู้ทันเนี่ยจิตเนี่ยมันจะไม่เข้าไปแบกจะไม่เข้าไปจมอยู่ในอารมณ์นั้นมันจะรีบถอยห่างหรือเชื่ถ้าหากว่าเผลอแบกเอาไว้แล้วนะเผลอจมเข้าไปแล้วนะ ก็จะรีบถอนออกมาหรือแม่ก็รีบวางนะคนเราเนี่ยทุกข์เพราะความคิดนะคนเราทุกข์เพราะความคิดเนี่มันปรุงแต่งถ้าเราเนี่ยไม่รู้จักรู้ทันความคิดเดี๋ยวมันก็คิดไปนะถึงเหตุการณ์ในอดีต ท, ที่เคยเจ็บปวดเดี๋ยวมันก็ไปนึกถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแต่นึกแล้วเกิดความวิตกกังวล ถ้า ไ, ไสตินะมันจะเข้าไปแบกมันจะไปยึดถ้าทังที่ยึดแบกเนี่ยทำให้ทุกข์ทำให้เหนื่อยการฝึกสติเนี่ยมันจะช่วยทําให้เรารู้จักวางโดยเฉพาะวางสิ่งสองสิ่งหรือว่าสองประเภทนะที่ทําให้เกิดความทุกข์กับเราคือวางอดีตแล้วก็วางอนาคต แปของความทุกข์ใจของคนเราเนี่ยของคนทั้งโลกเลยก็ว่าได้เนี่ยมันเกิดจากการที่ไปแบกไปยึดสิ่งที่ผ่านไปแล้วความเศร้าเสียใจความโกรธส่วนใหญ่ความรู้สึกผิดความอไรอร์เอวรนเนี่ยเกิดขึ้นเพราะอะไรเรื่องนี้แต่เกิดขึ้นเพราะเราไปแบกไปยึดสิ่งที่มันผ่านไปแล้วการที่ปล่อยให้มัน ไหลไปตามกาลวเวลาแล้วก็เป็นเหนียวไปเป็นรังมันเอาไว้ความวิตกกังวของเราเกิดจากอะไรทุกครั้งเมื่อเราวิตกกังวล น, นั่นแปลว่าเรากำลังปล่อยใจใครอยู่กับอนนะาคตแล้วไปแบกมันเอาไว้แบกแล้วเป็นทุกข์แต่ทำไมยังแบกอยู่เพราะไม่รู้ตัวนะมันก็คงเหมือนกับคนที่ไฟไม่บ้านะแล้วก็รีเข้าไปในบ้าน ต้องขนของไม่รู้จะขนอะไรก็ขนโองนะสมัยก่อนจนะมีโองนะแทนที่ไปเอาเพชรนินจินดาเอาชนดออกมานะขนโองโอมก็หนักนะแต่ตอนที่ขนเนี่ยนะหนักก็หนักแต่ว่าไม่ค่อยรู้สึกและเพราะว่าความกลัวมันแรงกว่านะก็ทําให้มีเรื่องมีแรงแต่พอหนีไฟไปได้ไกลเนี่ยพอความกลัวหายไปความรู้ตัวกลับมาแทนที่ มันก็จะรู้สึกเลยนะว่ามันหนักฮะแต่ว่าหนักเพราะอะไรหนักเพราะแบกบโอมันวางเลยเราแบกความทุกข์เพราะเราไม่รู้ตัวนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้ตัวเราจะวางนะการฝึกใจให้รู้จักวางคือฝึกใจให้มันรู้สึกตัวรู้เท่าทันซึ่งก็เป็นงานของสติ แล้วถ้าเราวางเมื่อไหร่นะใจเราก็จะว่างนะใจเราก็จะว่างมันก็จะเา่าดันการที่เราจะฝึกใจให้ว่างได้นี่นะมันนีไม่พ้ะเรื่องการฝึกสติการเจริญสมาธนะิเพื่อรู้ทันอารมณ์ เมื่อมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นน้อยๆเป็นแค่สเก็ดไฟเราก็รู้ทันแล้วลวก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับมันไม่ปล่อยให้ใจไม่ปล่อยให้หลงเข้าไปในมันครูบาอาจารย์ใช้คาว่าเห็นไม่เข้าไปเป็ น, นเห็นอารมณ์โกรธเกิดขึ้นแต่ไม่เป็นผู้โกรธเห็นความเศร้าเกิดขึ้นไม่เป็นผู้เศร้าเห็นความเครียดเกิดขึ้นไม่เป็นผู้เครียด ถ้าเป็นเมื่ อ, อไหร่ตรนก็คือแบบแล้วมันก็ตามด้วยความเหนืยไอ้การวางเนี่ยนะมันไม่ไม่เป็นต้องหลบลี้หนีหน้าไปอยู่วัดหรือว่าอยู่ห้องไม่ต้องทําอะไรเราสามารถที่จะวางได้แม้เราจะต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนเราทํางานใจล้วก็อยู่กับงานอดีตเป็นอย่างไงช่างมันก่อน อนาคตจะเป็นอย่างไรก็อย่าเพิ่งไปสนใจมันจะเสร็จเมื่อไหร่ก็ช่างมันใจเรอยู่กับปัจจุบันอันนี้ก็เรียกว่าวางกันนะทำด้วยใจที่วางคือวางอาดีตและวางอนาคตพระเจ้าตรัสว่าบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่ควรพัวพวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงพูดอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าเราไม่ต้องไปคิดถึงอดีต น, นะเราคิดได้แต่เราคิดอย่างมีสติเช่นเราต้องการประเมินว่า ที่ผ่านมาตลอดทั้งปีเนี่ยมันมีข้อบกพร่องอย่างไรบ้างมันมีความสรีมีความรุ่มเร็ว อ, อย่างไรบ้างอันนี้คิดได้เมื่อตาตาที่เรากําลังคิดถึงเหตุการณ์ในอดีตเพื่อประเมินในทางวิทยาศาสนาก็ถือว่าเราอยู่กับปัจจุบันเหมือนกันนะเวลาเราต้องการวางแผนสําหรับปีหน้าสําหรับสามเดือนข้างหน้านะอันนี้เป็นเรื่องอนาคตก็จริงแต่ว่าถ้าเราทำได้สติ อันนี้ดีแต่ถ้าเราทำด้วยความหลงไม่มีสติอะร น, นั้นเนี่ยเกิดปัญหาและตอนนั้นแหละที่มันจะแบกมันจะยึดโดยที่วางไม่เป็นและถ้าเรารู้จักวางนะจิตเราจะนิ่งได้ง่ายนะจิตเราจะสงบได้ง่ายไม่ต้องรอให้สิ่งแวดลอ้อมมันเงียบสงบใจเราจะสงบได้ ใจเราถึงจะนิ่งได้<า>ไม่ต้องร้อยทุกอย่างเนี่ยนะรอบตัวเรามา h, ันนิ่งใจเรถึงจะนิ่งได้รอบตัวเราจะเสียงดังรอบข้างนะจะมีความหุ่นวายแต่ใจเรานิ่งจะสงบได้ถ้าเราฝึกนะแต่ที่เราไม่สงบนะ เพราะใจเราเนี่ยมันไม่ยอมหยุดนิ่งมีเรื่องเล่าว่าสมัยที่หลวงพ่อชาเนี่ยท่านยังมีชีวิตยอยู่เนี่ยมันก็มีวันหนึ่งนะหมู่บ้านข้างวันเนี่ยเขามีงานทําบุญใหญ่ก็จะเป็นงานศพคนอีสานเนี่ยนะเวลามีงานศพเนี่ยนะก็จะมีหมอศพทั้งวันทั้งคืนหมอลํา ลูกทุ่งฉายหนังกลางแปลงสามวันสามคืนบอกว่าคืนแรกเนี่ยพระเนี่ยทั้งวันนอนไมห่หลับเลยเพราะว่วามีเสียงดังตลอดทั้งคืนวันรุ่งขึ้นพระเนี่ยก็เลยไปคุยกับเจ้าไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านว่าขอหลี่เสียงได้ไหมตอนตอนตีหนึ่งนะ เพื่อว่าพระจะได้มีเวลาหลับสักสองชั่วโมงตีสามก็ทำวัดผู้ใหญ่บ้านไม่ยอมเนะี่ยพระในวัดก็ไม่จะพึ่งขายควาพึ่งหลวงพ่อชาจเจ้าวาดทคิดว่าหลวงพ่อชาท่านจะเห็นด้วยนะบอกว่าท่านตอบอีกแบบหนึ่งตอบตรงข้ามเลยท่านไม่ท่านไม่เห็นด้วยท่านไม่ทำไม่ไปตอกชาวบ้านท่านบอกว่า เสียงกันนะเสียงในหมู่บ้านเนี่ยมันไม่ได้รบกวนพวกท่านพวกท่านต่างหาที่ไปรบกวนเสียงนะเข้าใจไหมพวกท่านเป็นที่มาจิตของพวกท่านเนี่ยนะไปต่อเลาะต่อเสียงกับเสียงนั้นนะท่านทุกเนี่ยนะท่านน้อยเป็นหลัก็จิตของท่านเนี่ยไปต่อลาะต่อเสียงกับเสียงนั้นนะแต่ถ้าฝึกจิตไว้ดีนะจิตมันจะนิ่งมันไม่ไปทะเลาะกับเสียงแล้วหรอ มันไม่เป็นแบบไห้ไปยึดเสียงนั้นมาไม่ไปเอาเสียงนั้นมาที้ม ท, ทิ้มทิมแทงใจนะตัวอย่างนี้ ค, คล้ายกับตัวอย่างของหลวงปู่บุดาที่อาตมาชอบนำมาพูดนะหลวงปู่บุดาท่านมารณกภาพไปเมื่อ20ปีที่แล้วย3ปีแล้วตอนที่ทานมารณภาพไปอยาร้อยันร้อยปีโดย่อี้เกิดขึ้่วงห้าสิบปีมาแล้ววันนึงโยมก็นิมนต์ท่านมาฉันเพลนที่กรุงเทพ ก็เดินทางจากสิงห์บุรีมาชั้นเพนเสร็จจะกลับวัดโดยเขาบอกว่าหลวงปู่อย่าเพิ่งกลับว่าเลยว่าสมัยนั้นถนนก็ไม่ค่อยดีใช้เวลานานนี่หมดท่านจองวัดก่อนให้ท่านพักก่อนก็หาห้องให้พักท่านก็เอ็นกายแล้วก็มีลูกศิษย์มามันนั่งเป็นเพื่อนเวลาลูกศิษย์จะคุยกันก็เป็นก็เซกัสซาเบอร์ห้องที่ติดกันยังเป็นห้องแถวเป็นห้องแถว แล้วก็ห้องติดกันเนี่ยก็เป็นร้านโชว์หวยร้านของชำเจ้าของก็เป็นคนจีนเป็นอาซิงคนจีนสมัยก่อนก็สวมเกีย้ยวเวลาเดินเนี่ยเกีย้ยวมันก็เสียงดังใช่ไหมมันก็ดังเข้ามาในห้องของผู้บาลูกสิษก็ไม่พอใจหงุดหงิดก็พูดขึ้นมาว่าเนี่ยเดินเสียงดังจังหลยไม่เกีย่ยใจกันเลยหลวงปู่ท่านเอ็นกายอยู่แต่ท่านได้ยินนะท่านก็เลยเปิดเผยขึ้นมาว่าเนี่ยเขาเดินของข อ, งข อ, งอยู่ดีๆ เราหูไปลองเกีย้ยคนเอง <c oughs> ใช่ไหมเสียงไม่ใช่ปัญหานะเสียงเกีย้ยเนี่ยแต่ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อเอาหูไปลองเสียงเกีย้ยหูไปลองเสียงเกี้ยหรือหูไปลองเกี้วเพราะอะไาใจไม่มีสติหูก็เลยไปหาเรื่องแต่ถ้าเราหูเรามีสติหรือถ้าเราถ้าเราใจเรามีสติหูก็ไม่หาเรื่องแลถ้าเราฝึกใจไว้ดีเนี่ยหูมันก็ไม่ไปลองเกีย้ย เพราะฉะนั้นเนี่ยความนิ่งความว่างความเบาของใจเนี่ยมันเกิดขึ้นได้แม้จะอยู่ท่ามกลางผู้คนที่ส่งเสียงดังวุ่นวายความนิ่งความสงบความเย็นของใจเนี่ยมันฝึกได้นะแล้วต้องฝึกด้วยผู้จะจัดว่า มนุษย์เราเนี่ยคือเวเนยสัตว์เวนยสัตว์คือสัตว์ที่ฝึกได้และที่จริงแล้วเนี่ยมันต้องฝึกด้วยเพราะถ้าไม่ฝึกเนี่ยเราจะหาความสุขได้ยากนะใจก็จะว้าวุ่นตลอดเวลานะแล้วก็อ่อนไหวต่อสิ่งที่มากระทบไม่ว่าทางตาทางหูทางจมูก ท, ทางลิ้นทางกายรวมทั้งทางใจด้วย อ่อนไหวไม่ทออ่อนไหวแล้วก็จะไปแบกไปยึดเอาไว้นะแล้วก็บอกว่าทุกทุกทุกนะกายเนี่ยมันไม่เคยบ่นเลยนะเวลามันแบกของหนักนะแล้วมันรู้มันเหนื่อยมันรู้ว่ามันทุกข์มันจะพยายามวางแต่ใจไม่ยอม นะครครูบาอาจารย์หรือว่าพระสอนว่าให้วางซะก็ยังเถียงอีกนะ่าพูดง่ายแต่ทำยากหรือมาเถียงว่าลองมาเป็นดิฉันสิเ mm hmm. ถียงสิ่งนะทั้งที่ในเมื่อตัวเองทุกเนี่ยนะก็น่าจะนะหาทางวางมันลงเัตุการที่เราหัานให้ความสำคัญการฝึกกายและฝึกใจเนะี่ยเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่ สำคัญต่อการดำเนินชีวิตของเราฝรั่งเดี๋ยวนี้เนี่ยคนที่เป็นซีอบริษัทธุรกิจชั้นนำํำมีค่อยความสำคักับเรื่องนี้มากเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนจะเป็นแฟชั่นหรือค่านิยมเลยหรือเป็นวัฒนธรรมของพวกซีอนักบริหารธุรกิจระดับใหญ่ๆของโลกผู้นี้ตื่นเช้ามากตื่นเช้าขึ้นมาทํา ไ, ไมออกกำลังกายผู้บริหารของแอปเปินะ Cook, เนี่ยนะทีมคุกเนี่ยนะ ตีห้าเนี่ยก็ไปถึงยิมเนเซียมแล้วตีหนะ้าแล้วถึงแล้วออกกำลังกายผูนะ้บริหาดิสนีย์ไอเกอร์เนี่ยนะตีห้าครึ่งเนี่ยก็จะขี่จักรยานนะออกกำลังกายบางคก็วิง่งนะพวกนี้เห็นความสมคำการฝึกกายเพราะรู้สึกเพรเห็นว่าการที่จะการทำงานหนักเนี่ยนะ การที่จะชิกระสับได้เนี่ยมันต้องกายก็ต้องเข้มแข็งนะเขาก็สบายนยีแต่ก็ต้องฝึกแล้ไม่ไดฝึกแค่การฝึกใจฝึกกายด้วยการวิ่งด้วยการว่ายนะ้ําแต่พอฝึกใจก็ทำยังไงเขานั่งสงบนั่งสมาธินะแต่นี่การนั่งนั่งนั่งสงบตุกจิตเนี่ ย, ยมันก็เป็นวัฒนธรรมของคนจะนวนไม่น้อยเนี่ยเดียวเพราะที่ทํางานในบริษัทที่ต้องใช้ ความคิดมากพวก Google พวก Facebook พวก 3M หรือพวกบริษัทใหญ่ๆที่อยู่ในซิลิคอนวัลเลย์ซึ่งทำงานเกี่ยวเรื่องการใช้หัวสมองเนี่ยพวกนี้เห็นความสำคัญการฝึกกายและฝึกใจฝึกกายนะให้ขยินขยับเพื่อความแข็งแรงฝึกใจให้นิ่งแต่ว่า จุดมหมายเขาเนี่ยก็เพื่อความสําเร็จในการทํางานแต่ที่จริงแล้วเนี่ยประโยชน์มันมีมากกว่า น, นั้นเยอะฝึกให้ชีวิตได้พอกความสงบเย็นพวกเราหลายคนก็เกษียณแล้วพวกเราหลายคนก็ไม่ได้คิดที่จะร่ํารวยแต่ว่าเราก็คงปรารถนาความสุขในชีวิตแล้วเราก็สามารถที่จะฝึกได้และถ้าเราฝึกกายฝึกใจนะ ไม่ว่าเราจะอยู่วัดหรืออยู่บ้านเราก็มีความสุขได้ทํางานแล้วก็มีความสุขใจสบายมีเพื่อตอมาคนนึงเป็นพระเซนชาวอเมริกันเราว่าอาจารย์ อ, อาจารย์เขนี้นะคือเป็นชาวญี่ปุ่นเนี่ยมีชื่อมากเป็นคนที่มาสร้างวัดเซนแห่งแรกในอเมริกาชื่อชุนยูสุสุกิเมื่อประมาณสักหกสิปีที่แล้วหกปีที่แล้ว ตอนที่อาจารย์ชุนเดียมาสร้างวัดเซนอเมริกาเนี่ยอาจารย์อายุ60นะและเวลามาสร้างก็ต้องสร้างกันนะด้วยเรี่ยวแรงของตัวแต่โชคดีมีลูกศิษย์ลูกศิษย์เป็นอเมริกนันอายุกว่าสิาณ19 20ยังหนุ่มยังแน่นทั้งผู้ิผู้ชายผู้นี้เนี่ยเป็นคนที่หายมาสนใจเรื่องวัฒนธรรมตัวนีออกเรื่องศาสนาธรรมเรื่องการทํามสมาธิภาวนาไอ้ตอนที่สร้างสร้างโบสถ์ไอ้สร้างวัดนี่นะต้องคน้นอีกคนไม้ จ้างไทยไม่ได้ลูกศิษย์ก็มาช่วยกันทําลูกศิษย์เนี่ยทําได้ครึ่งวันลูกศิษย์ก็เหนื่อยแล้วหอบแทบแทอาจารย์เนี่ยทาได้ทั้งวันลูกศิษย์ก็แปลกใจลูกศิษย์อเมริกันอาจารย์ก็อายุมากกว่าร่างกายก็ตัวเล็กกว่าทําไมทํา ง, งานได้ทั้งวันถามอาจารย์ทําได้ยังไงอาจารย์ชุนเดวตอบว่าก็ผมพักทั้งวันเนี่ยนะงงไหม ไอ้ที่พักนี่คือใจพักนะไอ้ที่ทำงานนี่คือกายกายก็แบกไปแต่ใจเนี่ยวางลูกศิษย์เนี่ยทางานไม่เป็นไงกายตัวก็แบกหินใจก็แบกทุกข์นะหรือแม่ก็แบกอนาคตเมื่อไหร่จะเสร็จวาเมื่อไหร่จะเสร็จว่ออาจารย์ชุมเรียวเนี่ยแบหินนะตัวแบกแต่ใจเนี่ยวางใจไม่แบกอะไรเลยใจแค่รู้เฉยเฉว่าโอหกายกลำลังแบกนะ พวกเราเป็นไงเวลาแบกเนี่ยควรจะให้กายแบกหรือให้ใจแบกไปด้วยหรือเปล่าเวลาทํางานเนี่ยนะคนหินเนี่ยก็ให้กายแบกอย่างเดียวสิใจอย่าพึ่งแบกอะไรแต่ส่วนญาติเนี่ยกายแบกใจก็แบกด้วยนะกายแบกหินส่วนใจแบกทุกนะแต่ถ้าเราฝึกใจด้วจับวางนะก็มันทํางานได้สบายนะแบกก็แบกไปเลยแต่กายใจไม่ทุก แล้วต่อไปเวลาเราป่วยนะเราจะป่วยแต่กายใจไม่ป่วยมีทุกขเวทนามีความปวด ย, ยังไงนะเป็นเรื่องของกายไปใจไม่แบกด้วยแต่แปลงนะเวลามันเกิดทุกขเวทนาความปวดความเมื่อยนะใจมันแบกฮนะไม่ต้องรอให้ป่วยเป็นมะเร็งนะแค่นั่งเก้าอี้เนี่ยแล้วนั่งนานๆเนี่ยเริ่มปวดเริ่มเริ่มเปิดปว ด, ปวดเริ่มเมื่อยเนี่ยจริงๆเนี่ย เคล็ลัมันจะมีอย่างเดียวคือว่าให้มันให้กายป่วยให้กายเปยื่อยไปให้กายเมื่อยไปกายเมื่อยแต่ใจไม่เมื่อยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยพอใจเราไม่ยอมนิ่งไงใจเราชอบแบกไงมันก็เลยไปแบกเอาความปวดความเมื่อยของกายแล้วดีไหมซ้ําเติมตัวเองใช่ไหมแต่นี่แหละคือธรรมชาติของใจที่ไม่มีการฝึกคือแบกบตะพืะพ้นตะคือนะไม่อะไรที่ไม่สมองก็ยังแบกบอะไรที่ทำให้ทุกก็แบกบ แต่ถ้าเราปล่อยวางได้เนี่ยความปวดความเมื่อยก็เป็นเรื่องของกายใจวา่าใจวา่างเวลาปล่วยก็ให้ทุกเวทนาเป็นเรื่องของกายไปแต่ใจเนี่ยไม่ปวดใจไม่ทุกข์และนี่แหละเป็นหลักการความสุขแ ท, ท, ท้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากสรุปว่าน ะ, ะเมื่อเราจะปรับนาความสุขของชีวิตเนี่ยอย่าเพียงแต่ทำความสบายกับกายและใจเท่านั้นแต่ต้องฝึกด้วยนะ อย่างที่ได้พูดมาทั้งทั้งหมดเนี่ยฝึกกายให้เคลื่อนกระยับฝึกใจให้รู้จักวางให้รู้จักนิ่งแล้วความสงบเย็นก็จะตามมาก็ผสมผสาเวลาขอจะ้ติดป็นตท่านี้